กเจตัวกาละครั้งหนึ่งเดนมาแล้วพางไกลออกไปมีภูเขาสูงภูเขาเขียวุ่ำภูเขาถูกตัดผ่านด้วยสายน้ำสายและช่างตัดไม้ก็มีบ้านหินอยู่ที่ริมน้ำเขาแต่งงานและมีลูกชายเจ็ดคนและลูกสาว1คนไม้ที่รักไม้นัลูกบ่อยครั้งที่เขาจะเดินทางไปทำงานห่างไกลพรรยาของเขาก็ลาบากมาก ในการเล่นดูลูกคนเดียวอ๋อพระเจ้าดื้ออะไรกันขนาดนี้ที่จริงแล้วลูกสาวไม่ได้ทำให้เธอลำบากเพราะลูกสาวน่ารักอ่อนโยนและช่วยทำงานแต่หนุ่มๆ น, นั้นคือต้อนเหตุของปัญหา <c oughs> เพราะว่าพวกเขาทั้งหยาบคายไม่เชื่อฟังและชอบไ ว, ไวุ <c oughs> ่วายพวกเขาไม่เคารพแม่ของพวกเขาแม่เลยห่วงพวกเขาเป็นอย่างมาก <c oughs> เด็กๆได้เวลานอนแล้ว กานอนมันสำหรับคนแก่นะแม่ oh. เมื่อสามีกลับมาจากบ้านและเหนื่อยหลังจากที่ทำงานหนักทั้งสัปดาห์ภรรยาที่น่าสงสารไม่สามารถฟ้องให้เขาได้ฟังว่าลูกชายของเขานั้นดื้อแค่ไหน oh. เพราะเธอไม่อยากทำให้เขาเครียดไปกว่านั้นอ้อเขาเหนื่อยมากเราไม่ควรเอาเรื่องไม่ดีไปกวนใจเขาเธอเลยเก็บความเศร้าไว้กับตัวเอง โดยไม่รู้ตัวว่าการทำแบบนั้นลูกชายของเธอจะแย่ลงเรื่อยๆที่จริงแล้วเมื่อพ่อไม่อยู่บ้านแม่ก็ทำโทษพวกเขาเด็กๆก็เลยได้ใจและดื้อไปเรื่อยๆ <laughs> ซึ่งมันแย่ลงไปทุกๆวันทุกคนพอได้แล้วนะพี่คะเชื่อฟังแม่หน่อยนะฮบบาแกเด็กง่น้องสาวของพวกเขาทรมานที่สุด เพราะว่าเธอรักพี่ชายของเธอถึงแม้ว่าพี่ชายจะนิสัยไม่ดีมากแต่เธอรักแม่ของเธอเป็นพิเศษการเป็นลูกคนเล็กนั้นทําให้ไม่มีใครฟังคําตําหนิของเธอวันหนึง่งเด็กทั้ง7ก็ไปเจอปัญหาใหญ่เข้าในป่านั้นมีหญ้าอันตรายที่ทําให้สัตว์ที่ไปกินมันตัวบวมขึ้นมาช่างไม้บอกลูกเขาเสมอว่าอย่าให้แพะของพวกเขากินหญ้าพวกนั้น และเด็กไม่ดีก็เอาหญ้าเต็มกระสอบผสมมันเข้ากับอาหารของสัตว์ฉันอยากจะเห็นมากว่าแพะมันจะตัวบวมยังไงแทนที่จะได้อิ่มท้องมันจะตัวบวมแทนหลังจากนั้นแพะและวัวก็รู้สึกป่วย ของของพวกมันบวมและปวดและยืนขึ้นไม่ไหวออแม่ดูสิสัตว์ของเราป่วยมาก อ, อเกิดอะไรขึ้นกับพวกมันกันนะเราไม่มีนมดื่มแล้วละ่ะเราจะไม่มีทางทำชีสได้แล้วเราจะรอดไปได้ยังไง <c oughs> ดูสิสัตว์โง่พวกนั้น <c oughs> น่างโง่แค่ไหนลูกชายหัเราะอ ย, ย่างสะใจ และไม่รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาทำลงไปนั้นมันแย่แค่ไหนจนกระทั่งแม่ทนไม่ไหวจนต้องสั่งแม่อยากจะให้พวกลูกเป็นอีกาซะแทนที่จะมาเป็นลูกแม่เมื่อเธอพูดแบบนั้นเม่ปริศนาก็มาบังพระอาทิตย์และอยู่ดีๆบรรยากาศก็น่าขนและเด็กๆก็กลายเป็นอีกาตัวใหญ่ทั้ง7ตัวที่บินหนีไปพี่ชยโอ้ไม่นะ โอ้พระเจ้าฉันทำอะไรลงไปคนเป็นแม่เสียใจมากและกลัวมากด้วยจนเธอเป็นลมไปโอ้แม่หนูจะทำยังไงดีเมื่อช่างไม้กลับมาในวันถัดไปเขารู้ความจริงและหัวเสียเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็พยายามจะปลอบเมียของเขาโอ้ที่รักคุณไม่ผิดหรอกนะ ลูกชายของเราดือ้อคุณก็ต้องสติขาดเป็นธรรมดาแต่บ้านนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าและสิ้นหวังเวลาผ่านไปลูกสาวก็โตขึ้นเธอยังจำพี่ชายของเธอได้อย่างดีเธอยิ้มแทบไม่ออกวันหนึ่งเธอขออนุญาตแม่ของเธอเพื่อออกไปตามหาพี่ๆไม่มีทางแม่เสียลูกไปไม่ได้อีกคนหนูหาเจอแนนะ่หนูรู้สึก รู้สึกว่าหนูต้องไปพกพี่กำลังรอนหนูให้หนูไปนะแม่ให้พอหนูด้วยขอเ่ะโอโอเคลูกแม่ทนต้านคำขอของลูกสาวไม่ได้และลูกสาวก็ออกจากบ้านไปเอาของติดตัวไปนิดเดียวเธอเดินผ่านป่ายอยู่สองวันและปีนขึ้นภูเขาเออพี่พกพี่อยู่ไหน อาหารของเธอหมดลงเรื่อยๆและอีกไม่นานอาหารเธอจะหมดเสื้อผ้าก็ขาดเธอหนาวและเหนื่อยมากวันที่สามตอนเช้าเธอเห็นกระท่อมเล็กๆแปลกๆในป่าเออเรานอนในนี้ดีกว่าบางอย่างดึงดูดเธอเข้าไปในบ้านถึงแม้ว่าบ้านนั้นจะดูน่าสยองและหน้าตาไม่น่าเข้าเมื่อเธอเข้าไปในบ้านเธอเจอโต๊ะเล็กๆและมีถ้วยเจ็ดถ้วยบนโต๊ะ หัวใจเธอเต้นแรงมากไม่แน่เธออาจจะเจอสิ่งที่เธอตามหาแล้วก็ได้เป็นไปได้ไหมยิ่เป็นพี่ชายของเราใช่ไหมเธอเดินไปเห็นว่ามีข้าวโอต๊ตและข้าวสาลีหม้อใหญ่ตั้งอยู่โอ้อาหารเราหิวมากเธอหิวมากเลยเอาอาหารตักใส่ถ้วยแล้วก็กินจนอิ่ ม, มเธอเลยขึ้นไปข้างบน เลาเห็นว่าข้างบนนั้นมีเตียงเล็กๆเจ็ดเตียงและแต่และเตียงจะมีผ้าสีที่ต่างกันผ้าหอมสีโปรดนั้นเหรอเธอน้ำตานองเธอรู้ว่าสุดท้ายก็เจอพี่ชายของเธอแล้วหลังจากที่เธอเหนื่อยจากการเดินทางเธอเลยนอนบนเตียงและหลับไปแล้วเราพบพี่ที่นี่ดีกว่า หลังจากนั้นอีกาเจ็ตัวจะเปิดประตูแล้วก็มานั่งบนโต๊ะครัวไม่คนมากินซุปของเราอ่ะแต่ใครการที่จะมาถึงที่นี่เราถูกสาปให้อยู่โดดเดี่ยวในภูเขานี้ตลอดไปไม่มีใครมาหาเราแน่นอนเมื่อพวกเขากินจนเสร็จอีกาก็เริ่มเตรียมตัวนอนบินขึ้นไปชั้นบนและเจอเด็กสาวโตวเล็กในเตียงหนึ่ง กาตัวหนึ่งพูดหลังจากที่สัมผัสผมของเธอด้วยปากใช่แล้วนี่น้องสาวเรานี่น้องสาวเราน้องสาวเราน้องสาวเราสาวเราตอนนั้นเด็กสาวลืมตาขึ้นมาเธอเห็นว่าตัวเธอถูกล้อมไปด้วยอีกาตัวใหญ่ทั้งเจ็ดตัวที่น่าเกลียดเธอกลัวมากแต่กาทีละตัวพูดออกมาว่า เธอคือน้องสาวเราใช่ไหมเธอคือน้องสาวเราใช่ไหมเธอคือน้องสาวเราใช่ไหมเธอคือน้องสาวเราใช่ไหมเด็กน้อยลุกขึ้นมาและอ้าแขนพี่เธอหนูเจอแล้วสุดท้ายเราได้มาเจอกันอีกอีกาเจ็ดตัวมองเธออย่างโศกเศร้าเราไม่ทําให้เธอขยะแขยงหรอ เด็กสาวกอดอีกาทุกตัวหนูรักทุกคนแม่แต่ให้กลายเป็นอีกาพี่ก็ยังเป็นพี่ชายเมื่อได้ยินแบบนั้นอีกาก็เริ่มถอยแล้วก็ร้องไห้อย่าร้องนะขอร้อเราค่ถึงบ้านกรับกลัวเราทำไมไม่กลับบ้านกับหนูเราก็อยากจะกลับมากๆเลย เราอยากจะกลับมากๆเลยเราอยากจะกลับมากๆเลยแล้วเราเสียใจที่เราทำตัวไม่ดีแต่เราจะไปหาพ่อแม่ยังไงในสภาพแบบนี้แม่ยอมรับพว่พี่เหมือนเดิมแน่หนูมั่นใจแม่ร้องไห้คิดถึงพวกพี่ไม่หยุดถึงแม้เราจะทำตัวไม่ดีเหรอใช่แม่นอะ ยังไม่ให้อาภายัยตัวเองเลยที่สาบพวกพี่ไว้กลับไปและแม่ก็จะดีใจแน่ที่ได้เจอพวกพี Sent ่สาวน้อยพูดให้พี่ชายของเธอกลับบ้านไปกับเธอโ <Fin> okay, อเคงั้นเราจะกลับบ้านกันยีรุยเอาละไปกันเถอะเธ อ, <S <S เ, อเลยเรีบเดินลงภูเขา ไม่จาเป็นจะต้องเดินลงเดินขึ้นภูเขาหรอกนะน้องสาวเราจะบินไปที่นั่นอุ้มเธอไปด้วยและเมื่อพวกเขากำลังจะไปอีกาคนเล็กก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนสิเราเอาหินแวววาวที่เราเจอไปให้แม่กันเขาเข้าไปแล้วกลับมาพร้อมกับหินที่มีค่าเต็มถุงว้ามันสวยมากเลยชอบไหมละ่ะชอบมาก มันอาจจะมีค่าด้วยนะเมื่ออีกาอย่างเราเห็นอะไรแววแววเราอดใจไม่ไหวแล้วเอากลับมาเห็นไหมอันนี้มันแวววาวกว่าทุกอันมันอาจจะเป็นเพชรก็ได้ใช่อาจจะใช่มันสวยมากเลยพี่พวกเขาออกเดินทางและจากมุมสูงโลกมันต่างไปมากตอนแรกเด็กสาวเกิดความกลัวโอ้หนูหลดแน่เลยพี่ ไม่ต้องห่วงน้องพี่เราไม่ให้เธอหล่นหรอกไม่ต้องห่วงน้องพี่เราไม่ให้เธอล่นหรอกการทั้งเจ็ดจับเธออย่างแน่นและบินอย่างปลอดภัยเมื่อพวกเขาเห็นหุบเขาแม่น้าและบ้านเล็กๆที่พวกเขาเกิดมาที่สนามหน้าบ้านมันว่างเปลา่าและเมื่อพวกเขาไปถึงเด็กสาวก็บอกว่า พ, วพี่รอที่นี่นะหนูจะไปเรียกแม่เองสแม่กันเถอะ เธอเดินเข้าครัวอย่างเงียบๆและเห็นแม่ของเธอนั่งร้องไห้บนโต๊ะ <c oughs> เธอกอด แ, <c oughs> แ, แม่แล้วจูบแม่แล้วบอกว่าแม่หนูกลับมาแล้วและหนูมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้แม่ด้วยนะโอ้ลูกแม่ลูกที่รักลูกกลับมาแล้วแม่คิดว่าจะเสียลูกไปแล้วตลอดกาลแม่ดีใจมากจนไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือว่าร้องไห้ดี เด็กสาวเช็ดน้ำตาของแม่แล้วพาแม่ไปที่สนามที่สนามเธอก็เจอกับอีกาลูกชายที่น่าสงสารของแม่แม่คิดถึงพวกลูกมากแม่ขอโทษที่สาบออกไปแบบนั้นคนเป็นแม่ไม่ควรจะพูดอะไรแบบนั้นกับลูกๆเลยไม่แม่เราสมควรโดนแล้วเราเสียใจกับสิ่งที่เราทําลงไปเราเสียใจกับความชั่วร้ายของเรามาก โอ้โครอบครัวแม่กลับมาแล้วทุกคนร้องไห้กับอดีตหลังจากนั้นก็เกิดปฏิหารขึ้นพี่ชายทั้งเจ็กลายเป็นคนอีกครั้งหนึ่งเออพระเจ้าพี่ พ, พี่พี่กลับมาเป็นคนอีกแล้วเมื่อพ่อได้ยินเสียงก็รีบวิ่งออกมาขอบคุณพระเจ้าผมได้เห็นลกูลกๆอีกแล้วพ่อครับ เราขอโทษจริงๆพ่อเราขอโทษพ่อเราขอโทษพ่อเราขอโทษพวกเขาร้องไห้และกอดลูกสาวกับลูกชายเวลาผ่านไปหนุ่มๆก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นเรื่อยๆและหินมีค่าที่อี ก, กาเอามาให้แม่ก็กลายเป็นของที่มีค่าและสมบัติทำให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น